เวลาแล้วสอนสติออกมาฟังนิดหน่อยก่อนถ้าได้ทําแล้วก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจให้ทําทำทำนิมนต์หลวงปู่มาพาทําบุญพาทำแล้วถ้าหลวงปู่ไม่พาทำหลวงปูก่ก็ผิดศีลนิมนตไปทําบุญไม่เห็นพาทําให้ตั พัะสินเอาของมาถวายพระให้สินในควนตรวนหน้าเท่ากับกับวัดเลยนะรับของทานพระุธเจ้าที่ตัตรูปพระเจ้าให้ทำอะไรสำหรับครวาสผู้ควองเรือนให้ทานให้รักษาสินให้ทำบุญ นี่ข้าเนียยงของพวกเราไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญทําทานไปวัดทําบุญทําทานนี่แต่ให้ทําให้พระยุ่งเพราะว่าทําบุญทําแบบเรียบง่ายเป็นยังไงเห็นไหมเห็นใจไหมเมื่อกี้นี่ใจอยู่กับลมเราไม่ดูใจเห็นใจก็มีความสุขเห็นใจก็เห็นสวรรค์สงบ อ, อื่นสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบไหม ไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกอทําไมไม่ดูหละบุญน่ะทําไมไม่ทําละบุญให้ทําเป็นทานบอกให้ทําเป็นทานมีอานิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงนนียังไม่เข้าใจให้ทําบุญเป็นทานบอกทําบุญเป็นทานถ้าบอกแล้วก็ทําก็ได้บุญถ้าไม่ทําจะได้อะไร อาหารใจก็คือลมอาหารกายเห็นไหมยุ่งไหมนั่นถ้าทําอาหารกายทําไมชอบทำคนเราชอบจุ้ง่ะเพราะเราไม่ทําบุญไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรเอาของไปถวายพระให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญนั่นเพราะความขาดการทําบุญไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจนไม่รู้ทั้งโลกอยู่จัมนีแหละ ขวดอะไรนิดหน่อยทําบุญไปทําบุญทำบุญไปแล้วไปไปขอของไปถวายให้พระยุ่งนะมันจะได้ก็หลงทางแหละหลวงพ่อจึงไม่ให้มีพิธำพิธีกรรมอะไรเยอะแยะเห็นไหมบางแห่งก็จุตุภิญญาณได้ให้เป็นมงคลมงคลอยู่ที่ได้เป็นคนพระมาทําไมละ พอตั้งองค์พวกแกดโยมพวกทำเป็นมงคลพระน์สงก็ทำเป็นมงคลอยู่ด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมดีในเข้าวัดเข้าบ้านหรือถูกต้องตามธรรมดีในมันจะได้บุญแม่นั่นก็เรื่องโจรพ้นพระัาสนาได้บาตทั้งคนเรียกได้บาตทั้งคนรับรู้จักไหมล่ะโจรคุณเจ้าก็จับเจ้าเอาว่าท่านุรีบเล่นเด็กหน่อยอะไร แข่ต่าหลายปีหคูดแขคนขับรถเห็นับรถถามนี่มาอีกคนว่าลงปูวลงปูว่าลงปูาลงากับโค่เเสียลงมาเหมือนกับราบงทดวเพราะฉะนั้นอยากให้ทาจุดนี้บ้านเราโรงงานของเราอันนี้สาขาที่ก็หลายรายที่สี่ครับ กรียกหากรเบียดเจ้าเ อ, เอเนะขอให้ท่อมกุญมไม่มีปัญหาถ้าท่อมน่าอื่นเราไม่ีปัญหามีรวมน้องแคก้นบอกเขาเอ็ดรถบด้นซื้อเราบด้ซื้อหลวงปู่บอบอกเราท่อมรถเมื่อนึ่งหนึ่งนาทีวันหนึ่งมิจีนาทีบุญย่อมรักษาผู้ ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากก็เชื่อจุดนี้ซิโดยเว่าะเราทำการอาชีพอย่างนี้มันอันตรายมากผู้แขนก็เยอะอะไรก็เยอะเพราะฉะนั้นต้องสั่งเอาไว้เพื่อให้มีนี้เนนป็นชุดชดเชยต้องมีบุญไปชดเชย ถ้าไม่มีบุญจะเลยเอาอะไรล่ะมันไม่ได้ซื้อนะทำให้ใจนิ่งจะให้ใจตสงบแผ่บุญกุศลที่เราได้ทําแบบนี้ให้แก่จิตตะวิญญาณของสัตว์โลกอะไรบ้างในสัตว์โลกพืชีนประเภททุกคนยกตัวอย่างอย่างเรามีลูกน้องสิบคนทุกคนก็มีบุญแผ่เขาแผ่ให้เขาไปช่วยกั น, นไม่ใช่เอาสิ่งเอาของเป็นบุญนะบุญกั นั่นเห็นไหมภายในของภายในทันใจนิ่งแพรก็มีบุญแล้วก็แพรก็ได้รับถ้าไม่มีบุญเอาอะไรไปล่ะกินตวิญญาณของก็กินกระตุ่มขนมไปกินจริงกินของได้กินกรรมตินกรรมเป็นอาหารกรรมมุนิวัตรตะ โ, โกโสัวโลกเป็นไปตามกรรมํากรรมมาได้ได้เนี่ยทีนี้เราทํานานเข้านานเข้าจํานีิชานานเข้าเวลานานเข้ามีปัญหาเรื่องใดล้วก็เข้าสมาธิเข้าสมาธิดู สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้คือสมาธิทำให้เรามีสติสมาธิปัญญานั่นรวมรอบลูกดีชั่วก็คือปัญญาเห็นไหมคนไม่ทำสมาธิไม่มีปัญญาขาดตัวเดียวคือนั่นคนเราชอบยุ่งเพราะขาดการทำสมาธิเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเน่นหนักเรื่องการทำบุญทำให้จิตนิ่ง นิ่งแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาจะเข้าใจว่าไม่มีความปัญญานะจิตดนิ่งถ้าไม่มีสมาธิปัญญาพระสงฆ์ก็ไม่มีอยู่ได้ตรงเน้นหนักจุดนี้รักษาจิตพระสงฆ์มีหน้าที่รักษาจิตรู้จักไหมรักษาจิตรักษาใจไปรักษาทําัยสังขารร่างกายแต่เห็นความวุ่นวายของตนเองบูงขึ้น อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคาพูดเข้าใจไหมถ้ามีสมาธิก็รู้ว่าจนเองจะพูดอะไรออกมาสถานที่ใดควรพูดควรไม่พูดนะวมรอบรู้ในความสังขารเรียกว่าปัญญาใช่ไหมถ้ามีปัญญาก็มีรวบรู้ว่าสิ่งที่ควรไม่ควรแล้วไม่มีสมาธิก็อะไรก็ไม่คำนึงถึงว่าที่ใดควรทำอะไร ที่นี้คําพูดของพระเจ้าว่าไงทำที่เราตถาคตตัตถะรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้เห็นไหมทั้งที่ดู้ลมเฉยๆนะยากไหมถ้าพูดว่าง่ายก็ง่ายถ้าพูดว่ายากก็ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้นุน่นถ้าพูดเรื่องอยากนะแต่ถ้าคนทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอีกแล้คนต้องทําได้ที่นี้ผู้เข้ามาศึกษาควรคิดตรงนี้ให้มากๆ อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคําพูดนั่นถ้าไม่ระวังตัวนี้มันปุงมันแต่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัญญาสังฆ้าลาตัวอวิชชามันพักปุงพักแต่งอย่างบ่ทั้งโลกปุงแต่งจากบัําจากด้วยจากสวยจากงามจากหางจากมีจากนั้นจากนีหาว่ได้พ่นเขากี้เขาพดโกงเขาไปทั้งผิดไปแล้วแต่คำหนึถึงกลมผิดถูกต้องไหมล่ะขอให้พ่นได้ขี้ได้ขอกลองปิ้นป้อนกันโกงกันหรือโว้สังรานอาหารอั่างเราเขามัก โกหกเราทำอาหารมจากหมื่นหอนะไม่ใช่จ้างวันเดียวนะเอาอยู่ี่ปีห้าปีโรงงานของฉันใหญ่ทำให้ไปส่งทุกวันทุกวันน่ถ้าไม่มีปัญญาเราเชื่อดี่ติดทำให้เขาทำแล้วก็มาเอาซ้ำเพราะว่าถ้าอาหารแล้วดอกล่องปีนปัน้นพุทโธพุทเจดียปันพุทเจ้าจะได้เงินไหลายนไม่ไงเอามาไปฝากให้เสียเขาไปถอนให้เขา ถ้าเชื่อมีศีลมีธรรมมีสติตมาทิปัญญาอย่าไม่เชื่อคนง่ายๆอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวนั่นคําของพระเจ้าอะนี่เราขาดการจุดนี้ถ้าเราเข้าสมาธิดูคิดดูเสียก่อนจะควรเชื่อหรือไม่เชื่อะเขาพูดอะไรจะเช่อจะเชื่อแต่ทางจะวางใจคนโจใจไหมที่เราไม่มีสมาธิเรเขาเชื่ออะไรเชื่อเชื่อผู้ต้มก็กล้าต้มพูดเชื่อก็กล้าเชื่อ เพาขาดการทำบุญนะให้เน้นหนักลูกน้องบอกลูกน้องด้วยเยวลามาศึกษากันต้อการงานอะไรเขาเราเป็นยังไงต้องต้องมีการประชุมกันถ้าเจ็เจะเลืิญก็ต้องดประชุมกันไม่เจริญก็ต้องประชุมกันมีปัญหาอะไรก็ต้องประชุมกันนะมันประชุมกันเนื่องนิดก็แนะนำํำท่าปฏิบัติเข้ามากๆทยนี้ ถ้ามีปัญหาก็แนะนําบอกดุจเ น, นี่ยช่วยกันมีบุญคนนั้นคนละก้อนคนละก้อน ล, ลายคนจะปล่อยก้อนบุญจิตหลายหลายจะหลายขึ้หลายขึนย้นจะเป็นไปเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองกับฟักจุดนี่เรื่องการทําบุญอยากให้เข้าเข้าใจเรื่องทาบุญกับทําฐานทานสำหรับร่างกายมีข้าวในน้ากระนุ่งเครื่องงงที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่สำหรับร่างกาย แต่ถึงรักษาเท่าไหร่ก็เฒ่าก็แก่ก็เก็บก็ตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปแล้วหาหมอดีเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเลยแหละถึงหายารักษาจับยังอยู่คือตายดีไม่ดีก็เกิดอีกแก่กเก็บอีกตายอีกเกิดทุกหน้าชาติหน้าคนทุกคนยากทุกคนวิการณ์ป้าใบบวชงวดนนท์ใครอยากเป็นเราบอกว่ามาพกคําสอนของคุณเจ้าไม่เชื่อพราะคุณเจ้าที่เขา ก, ก็เป็นไปทุกได้ทุกอย่างทุกอย่างกรรมวนฒิวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วไปเราลูกอยู่แก่ใจผิดฟังใจของเราไม่ได้นั่นพรเจร้าสอนว่าไงความลับไม่มีในโลกทำผิดทำดีทำถูกทไม่ถูกลูกอยู่แจกใจนะละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปนะไม่งั้นเราไม่มีทางไปแล้ว ตั้งอกตั้งใจใจทุกริตอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาอยากปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้านะอันนี้เรามีร่างกายเราจะเลยอย่างนี้แหละต่างคนต่างยุ่งเป็น <c oughs> เห็นไหมยิ่งไป ม, มีวัดวาอารามไม่มีพระเจ้าประสงค์แนะนําสั่งสอนไปทางต่ําไปแล้วติดโถมนุษย์สารติิลาโพการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นราภอันประเสริฐเต็มชังพุทธสมุปปะดังมโหสถพบทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ติดขังสัตว์ทำมัดสวัสดิได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องฟังได้ยู่แต่คำสอนถูกต้องหรือถูกใจแต่พระเจ้าสอนถูกต้องนี่จะเป็นเชื่อพระเดพระเจ้าไม่ไดเชื่อพระเดหนุ่มกูบ่ามันบอกให้เชื่อได้บอกให้ฟังเดเอาทําคําสั่งสอนของพระเจ้าตามประมาผ้าเหตุประธรตามคําสอนของพระเจ้าไปู่้ได้เห็นจังใดมาเ้าสู้ฟังแต่ปรเหต์ปรเหต์ตะกอนประปะเบามันจิตตัวนุ่มก็เกาแหลม บาบุญเป็นอย่างไรบาเป็นอย่างไรก็ย่อมกันพก็เห็นตะกรันเอาเห็นพ่ะเจ้หมุกเขาพระบอกทบุญกันทุมือหนิทาบุญที่วัดเพิ่นบอกกันได้แน่เบิ่งเอาในหัวใจนี่นะเพราะฉะนั้นจะไปติ่มจะเป็นไปเพื่อก้นสุขภูมเจริญก็ดีผคนเด็นุ่งหลกร้านเด็ดมากธรรมะก็จะได้ประวัติทํางคำตั้งตัวของเอาแม่หลวบาอาจารย์มาตั้งแต่พูดว่าแม่ลวงปู่ใหญ่ลวงปิติลวงปู่ศีลวงปู่ิ เป็นรองรับรับพันธุ์กับคนดัน้องถือขอวปฏิบัติตามคําสอนของคน ท, ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะพยายามเน่นห น, นากักภาคทาบุญให้มากๆไม่ได้ซื้อนั่นอาหารใจอาหารร่างกายยุ่งถึงจะเลี่ยนเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายท่องให้มันได้ยินให้กเกลีดยดในหัวใจได้ยินสังขาร่างกายไม่เที้ยงใจไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตั้งใจว่าจะมาทําบุญแล้ว เวลาเสียชีวิตเราใจคอในคอในน่องในนี่เสียชีวิตเราไปถามเขารู้ที่เขาตั้งใจว่าจะไปทําบุญเขาเคยดูบุญไหมเคยเห็นบุญไหมเคยเห็นสวรรค์ไหมอะไรตอบเขาคุณมาจากที่ไหนมาจากเมืองนรกนั่นตะคืนไปเมืองนรกที่เดิมไม่เคยเห็นสวรรค์นั่นสวรรค์ในอกนรกในใจใช่ไหมอะไรนะนรกร่ารวยสวยงามเอาฟัดมันก็ไปหาเหตุผลเราดูมัจะเป็นตั้งที่พระพุทธเจ้า พูดไหมว่าตั้มรวยสวยงามเป็นนรกโกกียะรถนั่นนรกโรจียะมั น, น, นไม่ใช่นรกไม่ใช่บุญนะนรกนะั่นฉันอยากล่ารวยฉันอยากสวยงามอาคาเท่าไหรหามาแล้วก็ไปผมอยู่นั่นแหละถือวสวยงามตรงไหนมันบูดมันเนา่าสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีแต่ของสปกปรกนอนกอดของสปกปรกอย่างนั้นก็ยังว่าสะอาดสะอาด อาดบดหน่อมหอมเนี่ยก็ถูมาท่าก็สมมือนึ่ตาเด็ทถูดมบดน่อมหอมมันหอมยุ้ยเจ้าโตค้มันแหม็นหายแห้งผมหายมันจีเด็ยนสิเสื่อเปล่ะสิเพื่อดี่จะย่อยแจ๊โอ้ยแถวตลาดเสียนท่านมันอ่ะด้วยนาทุนกุศลอกตนได้ชมลูกหลานยัติพี่น้องฤทธิอัจฉริราชานานิมนต์พระเจ้ากระส่งบุญแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนาสั่งสอนสั่ปริตะงคนให้เป็นปิริให้เป็นมงคล จะช่องจะการจะงานเป็นไปเพื่อความจงเป็นไปเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองคุณกุศลที่เราได้ทำแถวนี้บุญกุศลของ ค, คุณพระพุทธเจ้าบุญประรทมคุณประสงค์อิ่งสติทั้งหลายก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปกักษ์รักษจจาบุญกุศลที่เราจงรู้ฝนจัดสิที่น้องก็มีแต่คนาสุกคนเจริญสุกสกายสุกใจการงานจึงใดการเงิ น, งนจึงใดพัฒนาจึงหนึ่งอันใดก็จงสาเร็จจงสําเร็จสมดังความพัฒนาจึงทุกประการกัน ความราก